พระยานอรรัตราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุเจ้าคุณนอวัดเทพสิรินราวาสเขตป้อมปราบแขวงป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบถึงสองพันห้าร้อยสิบสี่ จะทำอะไรไม่ผิดนั้นข้อสำคัญอยู่ที่สติถ้ามีสติคุ้มครองกายวาจาใจอยู่ทุกขณะจะทำอะไรไม่ผิดพลาดเลย ผิดพลาดเพราะขาดสติคือเผลอเม่อเลอเลอประมาทระเลงหลงลืมจึงผิดพลาดจงนึกถึงคติพจน์ คุ้สติต่างโลภป้องอาจแก้วกลางสนามธรรมดาชีวิตทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดทั้งพืชพันธุ์พฤกษาชาติเป็นอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้เมื่อต่อสู้ไม่ไหวขณะใด ก็ต้องถึงที่สุดแห่งชีวิตคือความตายเพราะฉะนั้นยังมีสติอยู่ตราบใดถึงตายก็ตายแต่กาย เช่นกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีสติภัยบณ์อยู่ทุกขณะจิตท่านจึงทำอะไรไม่ผิดและถึงซึ่งอมะตะธรรมคือธรรม ที่ไม่ตายจึงเรียกว่าปรินิพานคือนามรูปสังขารร่างกายที่เรียกว่าเบญจขันธ์ขันธ์าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณแตกดับไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรฝึกฝนสติสัมปชัญญะเมื่อทำเสร็จแล้ว ก็มีสติตรวจตราพิจรารณาดูว่าบกพร่องอย่างไร หรือเรียบร้อยบริบูรณ์ดีถ้าบกพร่องก็รีบแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ต่อไปถ้าเรียบร้อยดีอยู่แล้ว ก็พยายามให้เรียบร้อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ทั้งก่อนที่จะทำอะไร หรือกําลังกระท า, าอยู่และเมื่อเวลากระท า, าเสร็จแล้ว ต้องหัดให้จิตใจแช่มชื่นเรื่นเริงเกิดปิติปลาโมดเป็นสุขสบายอยู่เสมอเป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ มีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานแต่ความสุขอื่นยิ่งกว่าสงบไม่มีความสุขอื่นมีเช่นกับความสุขในการดูลละคร ความสุขในการเข้าสังคมในการมีคู่รักคู่ครองหรือการมีลาบยศการได้รับความสุขสันเสริญและได้รับความสุขจาก สิ่งเหล่านี้ก็สุขจริงแต่สุขเหล่านี้มีทุกซ้อนอยู่ทุกอย่างต้องคอยแก้ไขปรับปรุงกันอยู่เสมอไม่เหมือนกับความสุข ที่เกิดจากสันติความสงบเป็นความสุขที่เยือกเย็นและไม่ซ่อนด้วยความทุกข์ และไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงตกแต่งมากเป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเกิดกับกายใจของเรานี่เอง เงียบคนเดียวก็ทำได้หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมก็ทำได้ถ้าเรารู้จักแยกใจหาสันติสุขกายนี้ ก็เพียงสัตว์แต่ว่าอยู่ในที่ระคนด้วยความยุ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไม่ยุ่งมาถึงใจแม้เวลาเจ็บหนักมีทุกขเวทนาปวดร้าวไปทั่วกาย แต่เรารู้จักทำใจให้เป็นสารติสุขได้ความเจ็บนั้นก็ไม่สามารถจะทำใจให้เดือดร้อนตามไปด้วยเมื่อใจสงบแล้วกลับจะทำให้กายนั้น สงบหายทุกขเวทนาได้ด้วยและประสบสันติสุข ซึ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าสันติสุขนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกหัดให้เกิดสันติสุขทางทิฏฐิ ด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง คงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมสิ้นแปรปรวนไปดับไปเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอ้อนวอน ขอร้องหรือเร่งรัดให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านเรียกว่าอนัตตา เห็นความเป็นจริงเช่นนี้จะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ทั้งหลาย เพราะรู้เห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่แน่นอนมันคงอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นดับไป อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาฝ่าฝืนของเราอย่าไปเร่งรัดให้เสียกำลังใจคงรักษาใจเราให้เป็นอิสระ มั่นคงอยู่เสมอไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเหตุให้ตั้งใจอยู่ในสันติสุขเป็นอิสระเกิดอำนาจทางจิต ที่จะใช้ทมกิจการิยะอันเป็นหน้าที่ของตนได้สำเร็จสมประสงค์